Book 2 4สี7เจการเตรียมตัวเดินทางฟูร์เบไรน์น์เฟอร a ไรส์คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วอีมูติ อย่าลืมอะไรนะมุนีอิทสเฟรเกตนี่คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่อีเอตกรวดโกเฟอร์นูรัชอย่าลืมหนังสือเดินทางนะมุนีอิพาสปอร์ตเฟรเกตนี่อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะม n นีอ k คอร์กีเฟรเกตนี่ อย่าลืมเช็คเดินทางนะมุนีอีไรส์เช็คเฟอร์เกียเอาครีมซันแทนไปด้วยนะเ e m ย o n b r a n d r o o m s a อ m เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ e นียมเ SONBRIL SAAM เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ เนี o มเยลโซนฮุตซอมคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมวิลเยย์อปปตกร์ตซอมเน e ยมคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมวิลเยย์อตูร์กิตซอ a เนี e มคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมวิลเย y ์อซ m b r e e l s อ a เน e e m อย่าล ja, ืมกางเกงเสื u, o, ek, hemp, ja, ้อและถุงเท้านะ in อย่าลืมเน็คไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบู i ตคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกลตัดเล็บคุณต้องใช้ a ้าเ e ็ดหน้ e สบู่และกันไกล คุณต้องใช้วีแปรงสีฟันและยาสีฟัน